นาปฏิวนันพิษูต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ541 1. พิกษุท่ทวง3ครั้งยืน6ครั้ง 2. พิกษุทวงหย่อนกว่า3ครั้งยืนหย่อนกว่า6ครั้ง 3. พิกษุไม่ได้ทวงวายาววจกรจัดถวายเอง 4. พิกษุรับจีวรที่เจ้าของทวงมาถวาย 5. พิกษุวิกลจริต 6. พิกษุต้นบัญญัติราชาติกิขาบทที่10จบจีวรวัคที่หนึ่ง 쇼핑 <소리>